ตอนอบรมจริยธรรมคณะคุณครูโรงเรียนศูนย์พรานคอยระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม2560ตอนที่11ก็คุณครูเข้าค่าย4ี่วันเต็มๆเนาะพรุ่งนี้เช้าก็อีกสองชั่วโมงแล้วก็ทานข้าวแล้วก็กลับกันนะเพราะครูใช้โอกาสนี้เพราะพรุ่งนี้เช้าพวกครูต้องเดินทางเข้าไปกรุงเทพนะมีควดอดกรุงเทพเขารออยู่ควดอดกรุงเทพก็เปดิดพรุ่งนี้เช้า พอ ก, กูก็ไปถึงก่อนเที่ยงไปสี่วันแล้วก็กลับมานะก็สี่วันเราได้มาใช้ชีวิตร่วมกันได้มาปฏิบัติสลัดออกคููหลายคนนะกดมันไว้นะยังสงวนท่าทีอยู่นะซ่วมมันเต็มอะสูบมันออกอย่าอายทำดีเนาะเมื่อเราปลดปล่อยแล้วเราจะโล่งเราก็สบาย ชีวิตเราดีใจก็เก็บไว้เสียใจก็เก็บไว้สมวนท่าทีเนาะแล้วก็เครียดไปหมดเมื่อเราเครียดแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันโรคโดยธรรมชาติมันก็ตกต่ําเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมานะเออหลายคนเมื่อมีอาการนู่นแหละมันเหมือนธรรมชาติมันเตือนเราเลยเนี่ย ก, กับมาดูตัวเองหน่อยนึงนะออกกําลังกายนะแค่โรงเรียนทำ เช้าเย็นนิดเดียวมันไม่พอนะก็กลับบ้านก็ต้องปฏิบัติต่ออย่างน้นนอยนนั่งหมุนเลือดลมมันก็วิ่งไงอืมวันนี้ครูพุกกี้เดินกี่กิโลฮะเดินไปไหนฮะเดินหาอะไรไม่รู้นาะนั่นแหละมันจิตมันให้เราเดินออกกําลังกายไงบางทีชีวิตเราเนี่ยมันสแสวงหาอะไรไม่รู้นะ หลายชาติเลยนะเราหาเนี่ยเวียน่หวตายเกิดตายแล้วเกิดมาใหม่ก็เดินหามันอีกเอาอยู่นะั้นนนละบางทีหาอะไรก็ไม่รู้มีแต่ว่าอยากไปอยากไปนะน ะ, นะยิ่งเราอยู่กับเด็กๆอ่ะบางทีเราสะสมอารมณ์โดยเราไม่รู้ตัวนะนะปลดปล่อยออกนะปลดปล่อยออกนะเหมือนเด็กๆเนี่ยเขาดีใจเขาเไม่มีมารยาท เขาเสียใจก็ลงไปร้องไห้ริงๆิปุ๊บเขาก็เล่นกันต่อแต่ผู้ใหญ่เราไม่ได้แค่นี้ต้องชําระสิบปียังไม่สายศักดิ์สีไงแล้วก็แบกภูเขาอยู่ในอกนั่นแหละเดี๋ยวโรคภัยแค่เจ็บก็ตามนะนะแต่ไม่ใช่ปลดปล่อยโดยที่ว่าอยากจะด่าก็ด่าไปเลยอันนั้นไม่ได้ปลดปล่อยนะ น, นั่นสนองอารมณ์นะแล้วเ้าด่ามาอีกก็เจ็บอีกนะ เรามีเครื่องมือในการปลดปล่อยเราเนี่ยนั่งหมุนบ่อยๆถ้าเราไม่สู้นะไม่มีทางนะยิ่งติดเหล้าติดบุหรี่หรือว่าติดยาเสพติดติดหนี้สินนะติดหนี้สินก็เหมือนติดติดเสพติดนะนะถ้าไม่สู้จริงๆเนี่ยเราจะล้างพวกนี้ออกมาไม่ได้เนาะเนี่ยต้องขยันต้องต้องมีขันติต้องมีศรัทธาต้องมีวิริยะ ทุกอย่างไม่ว่าอาชีพอะไรจะทำให้มันสาเร็จมันต้องตั้งมั่นศรัทธาแล้วก็วิธีเราปฏิบัตินี่มันไม่ได้ยากเลยใครๆก็ทำได้แต่มันมันทำไมทำยากๆอ่ะเพราะกิเลสมันไม่ยอมเนาะถ้าเราไม่ฝืนกิเลสหน่อยนึงเนี่ยใครๆก็ทำไม่ได้ทำแล้วก็เบื่อแล้วก็เออดูละครก่อน เออหลังละครก็เมื่อยแล้วเออนอนก่อนพรุ่งนี้ก็ได้มันผัดวันประกันพรุ่งเนะี่ยเอาเปนว่ากลับไปเนี่ยวันไหนาอาบน้าเสร็จยังไม่อาบจิตห้ามนอนแสดงว่าเราอาบน้ำไม่สำริดอาบแต่ข้างนอกไม่เคยอาบข้างในเลยข้างในมันเปื้อนกว่าข้างนอกนะนี่นี่คือต่อไปจะเป็นมะเร็งทางอารมณ์หมอบรรชาบอกนะมะเร็งในร่างกายนี่เรื่องเล็ก ตายแล้วเอาไปเผาะมาเม็ดก็ถูกเผาทิ้งหมดแต่มเมล็งทางอารมณ์นี่มันข้ามภพข้ามชาตินะอย่าทําเล่นนะไอ้ฆ่าคนได้เพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเร็งทางอารมณ์อารมณ์ของจิตเราเนี่ยมันส่งผลถึงกายภาพนะมันส่งผลถึงกายภาพนะก็ สี่วันที่พกูได้มาอยู่ที่นี่นะก็เห็นคุณครูมีความตั้งใจนะมีความมุ่งมั่นแต่ยังกักอยู่นิดหนึ่งกักกักสงวนท่าทีอยู่เพราะว่ายังยังไม่อินเต็มที่เลยนะถ้าลองอินเต็มทีุ่เราจะเจอสิ่งมหา จ, จรรย์นะเราจะเจอความอิสระภาพนะเจอความทุก แต่ทุกนั้นมีประโยชน์นะเหมือนเหมือนไม่ชีกับเนรเนี่ยเราไปเที่ยวกาญจน บ, บรุรีเห็นไหมถามทุกคนเหนื่อยไหมไปปีนเขาสีลูกนันเหนื่อยมากแต่เขามีความสุขเห็นเหนื่อยแต่มันมีความสุขอะเหนื่อยมันก็สนุกมอันนี้เหมือนกันถ้าเราเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยอาจจะเจอวิบากเราอะไรไม่รู้ทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบแต่สุดท้ายเราข้ามข้ามมาได้ เมื่อกี้นี่คุณครูอะไรเนี่ะนะนะต้องจ่ายหนี้กรรมนั่งก็นั่นนะพอครูเดินมาพอดีเขากำลังเซหัวกำลังจะฟาดพื้นไม่รู้ไปช่วยหรือไปทำลายก็ไม่รู้นะพ่อครูจะไปช้อนหัวเขาอะนะมาชนเขาพรอครูพอดีก็เลยเจ็บเล น, นะก็เดี๋ยวก็คงหายหรอกนอกจ่ายหนี้กรรม เขาถอยถอยถอยแล้วล้มไปทั้งหลังอะนะพะคูพยายามจะไปช้อนอยู่ก็เลยมาชนหัวเขาอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราปฏิบัตินะความไม่ปกติท้องอืดท้องร่วงหนักโน่นหนักนี่มันคือความปกติของแนวนี้จิตมันกำลังปรับสมดุลอยู่เหมือนถ้าเราอยู่ อยู่ช่องเมกเนอะไปอยู่ในหมู่บ้านเขาเรียกว่าอะไรหมู่บ้านการเคหะคลองหน้าบ้านเนี่ยธรรมดาเขาหลายปีเทศบาลไม่เคยมามาล้างเลยเราเดินเข้าออกมันก็มีกลิ่นวันใดวันหนึ่งเราขยันเราก็ไปเปิดฝาคลองออกมานะแล้วก็ตักตักตักตักตักขึ้นมาช่วงที่ตักนี่เหม็นมาก เมนกวปกติต้องอดทนเมื่อเราตัดออกเอาน้ําฉีดปึ๊บมันก็สะอาดเหมือนร่างกายเรามันสะสมมานานน่ยช่วงนี้เรากําลังปรับสมดุลมันอยู่อาการไม่ปกติที่เกิดขึ้นคือความปกติของแนวนี้นะบางทีบอกเอ้ยอยู่ดีๆไม่ชอบทํางานก็เหนื่อยแล้วยังมาหาเรื่องปฏิบัติให้มันเออเมื่อยอีกให้มันเจ็บปวดอีกไม่ใช่หาเรื่องเรากําลังสะสาง สิ่งต่างๆที่เราหมักหมุมอยู่ในตัวเราเนี่ยนะให้มันออกมานี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่เอาจิตอย่างเดียวนะเพราะจิตมันอิสระแล้วมันจะรักษาร่างกายด้วยมันจะปรับสมดุลของร่างกายและเราจะแข็งแรงนะออกกาลังกายก็ต้องแลกด้วยความเหนื่อยเงื่อไหลไข้ย้อยสุดท้ายเราก็แข็งแรงจิตวิญญาณเหมือนกันเนาะ แต่แนวที่เราทำเนีย่ย <usc ans> เขาเรียกว่าโฮลิสติกเป็นองครวมไงกายกับจิตไปด้วยกันฝึกปฏิบัติพร้อมกันชีวิตเราชอบแยกส่วนจะเป็นนักกีฬาทีมชาติฉันก็ออกกำลังกายขยันมากตีสีก็ขึ้นมาวิ่งนะแต่พอไปแข่งแพ้มาบางทีฆ่าตัวตายจิตไม่แข็งแรงทีนี้พอจะไปฝึกจิตที่เรียกว่าจิตนิยม ก็ฝึกจิตยอย่างเดียวนั่งทรมานสังขารนะเอาจิตยอย่างเดียวไปทรมานกายอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ความเพียรชอบไม่ใช่ทางสายกลางนี่คือความคิดแบบแยกส่วนทุกวันนี้วิทยาศาสต ร, ร์สอนให้เราจำแนกแยกแ ย, กแยะหาเหตุเพื่อหวังผลนะปริญญาตรีแค่นี้ปริญญาโทแค่นี้ปริญญาเอกเอาเรื่องเดียวสเปเชียลไล ทำไมทํามานี่วิสัยทัศน์เกิดกลายเป็นมองอะไรขับแคบไปหลงว่าเรารู้เรารู้เรื่องนั้นจริงๆเลยเห็นไหมเคยเขาเรียกว่ามีด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มแมลงเห็นไหมถ้าเราวิจัยมแมลงสาบอย่างเดียวเรารู้แตกฉานแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ทางนั้นอย่าไปหลงว่าอู้ฉันเป็นผู้รู้นาะนะรู้เรื่องเดียวนาะรู้เรื่องมแมลงสาบไง แต่อัตราว่าเป็นด็อกเตอร์ผู้นี้แต่ต้องไม่ได้นะมีอัตราตัวตนขึ้นมาเราไปหลงความรู้นั้นแต่เรารู้เรื่องเดียวเนี่ยวิสัยทัศน์แคบแคบพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยมองมุมเดียวนะถ้าชุกวันนี้เราไม่ระวังเน็ตเราเดี่ยงเพราะความคิดแบบแยกส่วนแล้วก็เออไปเจาะลึกในเรื่องเดียวชีวิตเราไม่ใช่เรื่องเดียวชีวิตมันประกอบด้วยหลายอย่าง ยุคนี้เราเน้นเรื่องเศรษฐกิจทั้งโลกนะมันเล่นเกมเศรษฐกิจกัน GDP นะเอา GDP เอาตัวเลขทางทางเศรษฐกิจนี่มาเป็นตัววัดคือความก้าวหน้าทุกประเทศแล้วมันก็ลามมาถึงคุกครอบครัวแล้วก็ลามมาถึงทุกคนนะทุกคนเอาเศรษฐกิจเป็นพระเอกเป็นที่ตั้ง นะสังคมเละไปหมดเลยเห็นไหมไปแข่งขันกันเพื่อเอาเศรษฐกิจในหลวงราชการที่เก้าพระองค์ก็เห็นไงพระองค์ก็เลยว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจก็ต้องเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจทางสายกลางแต่ตอนนี้มันกลางไม่ไม่เป็นเสถียเศรษฐกิจสุดตโตงเลยเอาแพ้เอาชนะกันเลยล่ะเอาเป็นเอาตายเลยนะ โฆษณาชวนเชื่อเพื่อจะขายสินค้าเออแล้วก็ไปบาป้าคู่แข่งอะไรพวกนี้เนะ่เป็นการสร้างกรรมกันนะมันไม่ใช่เศรษฐกิจที่พอเพียงมันเป็นความสุดโตง่งชีวิตเราเนี่ยเศรษฐกิจถ้าเอาสายพุทธนะเออเศรษฐกิจของพุทธก็คือว่าคุณต้องมีสัมมาอาชีวะเป็นหนึ่งในแปดว่าชีวิตเราเนี่ยต้องประกอบด้วย8อย่างเนี่ย เศรษฐกิจเป็นแค่หนึ่งในแปดไม่ใช่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยชีวิตเราเกือบทั้งหมดเลยเท ใ, ให้เศรษฐกิจไปทุกขกับการสร้างเศรษฐกิจการสร้างอนาคตเราก็คือไปวัดกันว่าใครเซมีเศรษฐกิจมากกว่ากันไม่เอาชีวิตละเดี้ยงหมดกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนให้ไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจเขายังไม่พอเลยสะสมกักตุนมาขนาดนี้แล้วก็ยังไม่พอจ ะ, จะไปให้ได้ยังไง สังคมก็เลยเป็นสังคมตายด้านสังคมแข็งทื่อนะกลายเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดนะเราหลงทางแล้วเนาะยกตัวอย่างคุณครูที่อยู่ด่านเม่นนะวันไหนเราเป็นคนไทยใช่ไหมบ้านเราอยู่ศรีสะเกดอยู่อยู่กรุงเทพอยู่มหาสา ร, รคาม เวลาเราจะกลับบ้านเรานั่งรถไปถึงสามแยกเหล่าอินแปลงคุณครูต้องเลี้ยวซ้ายไปเิลินทรไปพิบูลไปวารินแล้วไปกรุงเทพไปมหาสรารไปเนะี่ยแต่ถ้าคุณครูไปเลี้ยวขวาอยู่ช่องเมกนะคุณครูจะเข้าไปลาวนักวิชาการมานั่งวิจัยว่าเฮ้ยชิดขวาดีชิดซ้ายดีเพราะรถลาวเขาชิดขวาไงเห็นไหม วิศวกรรมวิศวกรก็บอกว่ารถยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้นนะเออวิ่งเร็วกว่าอะไรเร็วกว่านักขายเซลก็ต้องโฆษณาชวนเชื่อว่ายี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้นเพื่อจะขายได้เยอะนักการศาสนาก็แจมด้วยเธอต้องขับมีสมาธิมีสตินะถ้าเราขับมีสมาธิมีสติเนี่ย โอกาสเกิดอุบัติเหตุมีน้อยในวงเล็บไม่ใช่ไม่มีที่เล่ามันเมามาก็ชนเราได้อย่าประมาทว่าฉันขับฉันขับถูกแล้วนั่นแหละเราถูกเลนเราแล้วแต่มันมันเมามาไงมันไม่หลวกเลนใครห่ะไม่ใช่ว่าฉันถูกแล้วยึดมันถึงมัน่าฉันถูกแล้วไอไอเมามาพอมันเซมาเราต้องรุดหลบมันนะบอกว่าฉันถูกแล้วก็ไปชนกับมัน่ะส่วนมากถูกผิดก็ตายกันทั้งคู่ ถามว่าชีวิตนี้ถึงกรุงเทพไหมยิ่งยื้อห้อดียิ่งขับมีสมาธิสติเนี่ยนะมันยิ่งไปไกลเลยละ่ะจุดเริ่มต้นของชีวิตเราตั้งโจทย์ผิดเราทำถูกแค่ไหนมันก็ผิดนี่ในทางศาสนามันเป็นมิจฉาทิฏฐิข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิ จุดเริ่มต้นคุณก็ตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดคุณทำถูกแค่ไหนมันก็ผิดยิ่งขับเก่งยี่ห้อยิ่งดีก็ยิ่งห่างไกลจากเป้าหมายที่เราไปเพราะเราเลี้ยวผิดไม่ใช่จบที่สมาธิจบที่สติจบที่ปัญญาคุณไม่มีปัญญาคุณเลี้ยวผิดคุณตั้งโจทย์ชีวิตผิดคุณทำถูกแค่ไหนมันก็ผิดนะจุดเริ่มต้น มันเป็นมิจฉาทิฏฐิรวยก่อนค่อยมีความสุขรวยก่อนค่อยมีความมั่นคงตายก่อนเพราะคำว่ารวยเนี่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดมีร้อยหนึ่งรวยไหมมีแสนหนึ่งรวยหรื อ, อยังมีล้านหนึ่งรวยหรือยังมีร้อยล้านรวยหรือยังมีพันล้านรวยหรื อ, อ ย, ยังยังมันยังอยู่โน่นมีคนก็รวยกว่าเรา เหเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตโดยที่เราเอาเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งชีวิตเราจะไม่มีวันสำเร็จสำเร็จไปว่าเสร็จแล้วนะ success is mean finish finish is mean done nobody done now สำเร็จไปว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วคือไม่มีปัญหาเลยต้องแก้อีกแล้วในโลกนี้มีใครสำเร็จบ้างบิลเกตยังไม่สำเร็จนะเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยเขายังต้องทำอยู่เขากลัวเป็นที่สอง ตายนสำเร็จนะสเร็จไปว่าเสร็จแล้วถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้วเนี่ยนะเราพอใจเพียงแค่มีนะเราเสร็จได้แต่ไม่ใช่ไปว่าพอแล้วเราก็ขยันขันแข็งทาไปเพื่อจะมีส่วนเกินที่จะสร้างอริยทรัพย์ไอ้ทรัพย์ภายนอกมาหาเพื่อให้มันมีอยู่มีกินอาชีพครูอาชีพเกษตรกรอาชีพนักการเมืองอาชีพนักธุรกิจเป็นอาชีพ อาชีพอาศัยอย่างชีพคืออยู่ได้ไม่ตายไม่ใช่มาเล่นเกมรวยกันเกมรวยเป็นเกมธุรกิจมันไม่ใช่อาชีพไม่ใช่อาศัยอย่างชีพทําเพื่อย่างชีพนะเนี่ยสัมมาอาชีวะแค่ให้เราอยู่ได้นะให้อยู่ได้ให้ร่างกายนี้มันแข็งแรงเพื่อจะเป็นเครื่องมือเดินทางของจิตเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อ เป้าหมายคือผลถุกอันนี้เราถูกทุนนิยมมันหลอกว่าเป้าหมายก็คือเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะทำมาตลอดชีวิตเราตายแล้วรุ่นหลังมันก็ไปเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ไม่เสร็จที่คนหนึ่งนะจนโลกใบนี้เละตุ่มเปะเลยนะทำลายทรัพยากรธรรมชาติกว่าจะเป็นน้ำมันรูปแาบกี่ล้านปีมันสะสมอยู่ตอนนั้นวันหนึ่งสูงขึ้นมาหลายล้านบาเรล เอามาแรกเป็น GDP มันก็เป็นโพงสิเมื่อมันเป็นโพมันก็ถล่มสินะภูเขาไฟเนี่ยนอนหลับเาเรียกว่าคนจริงเขาเรียกว่าซื้ อ, อ่อซานหมายถึงภูเขาไฟที่มันตายแล้วเป็นร้อยปีมันมันไม่มีอาการนะหลังจากแผ่นดินไหวทมันก็พลุปัททุ ข, ขึ้นมาอีกฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นแหละเนื่องจากเราเก่งมาก เชอร์วิย์เราเก่งมากแต่เราเอาความเก่ง น, นั้นน่ะมาสร้างมือสร้างเครื่องมือทําลายสิ่งแวดล้อมเราโง่ละจากเราเก่งกลายเป็นเราโง่นะอยู่ยากละตอนนี้ข้างล่างเป็นโพงหมดละข้างล่างเป็นโพงหมดละนะมันเกิดศีรมมีตอนที่มันลาวนั่นแผล น, นั้นใหญ่มากมันจะปิป๊ปี๊ปี๊ไปเรื่อยๆนะนะ ตอนที่มันแผ่นดินไหวน่ะแผลมันใหญ่มากนทะเลมันก็ดูดเอาน้ํำทะเลลงไปเห็นไหมมันดูดเข้าไปเลยนะแรงโน้มถ่วงโคโลกก็เอียงในเกาะภูเก็ตตอนนี้นี่เอียงจากแผนที่เดิมประมาณสามองศาสามองศานี่มีผลมากเลยแสงอาทิตย์มาเนี่ยไอเมืองที่ไม่เคยร้อนก็ร้อนไอเมืองนี้ไม่เคยเย็นมันก็เย็นดินฟ้าอากาศเรากําลังเปลี่ยนหมดนะ มันเปลี่ยนหมดแล้นะปีที่แล้วพระครูมาอยู่นี่ยี่สิบกว่าปีนะปีที่แล้วเนี่ยกองทัพผีเสื้อออกมาเลยคล้ายๆมันมีสัญชาตญาณมันรู้ว่ามันจะมันจะสูญพันธุ์อากาศเปลี่ยนเนี่ยมันพยายามมาเผยแร่เลยตระกูลส้มทุกอย่างทั้งมะกูดทั้งมะนาวแม้กระทั่งต้นเอ่อต้นประดู่อะไรเนี่ยนะมันกินใบเรียบเลย ไม่ให้เหลือเลยนะมะนาวอยู่หลังบ้านพอคุูมาหลายปีปีที่แล้วเนี่ยปรึดหมดเลยปีนี้อะไรมานะมาแมลงวันมาโจมตีละแมงบีขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วคือธรรมชาติมันมันเปลี่ยนสัตว์นะมันมีมันมียานรู้หรอทั้งหมดดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ย ส่วนหนึ่งเกิดจากมนุษย์เราช่วยทำลายสิ่งแวดล้อมนะทั้งใต้ดินบนดินนะบนอากาศนี่แหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจั ก, กรวาลเนี่ยในโลกเนี่ยไม่ใช่มหาสมุทรไม่ใช่ทะเลนะในโลกภัยนี่อยู่ข้างบนนะบนอากาศมันมีออกซิเจน ในออกซิยนมันมีน้ำในน้ามีจุลินทรีย์มีสิ่งมีชีวิตทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์ไล้์สายเนี่ยมันอาศัยคลื่นพวกนี้นะมันษย์เราเก่งแค่ว่าสร้างเครื่องมือมาใช้คลื่นที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมาสื่อกั น, นแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดอยู่ข้างบนและตอนนี้ข้างบนนี่ถูกลบกวนด้วยไอ้คลื่นไล้สายเนี่ย ใครๆเคยไปกรุงเทพว่ารถติดรถติดนี่ยังติดน้อยกว่าข้างบนนะโทรสาปดา่ากันอยู่เนี่ยนะเราหายใจเขาปุ๊บเนี่ยมันมีผลสนบับเรานะี่นี่คือฝีมือมนุษย์ไงนะคือความอยากเราไม่คิดว่าทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยเรามองแต่เรื่องได้ไดประโยชน์แต่เราไม่ไปศึกษาตรงกันข้าม เมือเรากินยามันได้ประโยชน์ปวดหัวมันก็หายจริงๆไงนะและไอ้ที่มันตกค้างอยู่ไม่่ไม่ใช่เรื่องฉันฉันมีหน้าที่มาผิดพิสูจน์ว่าเธอปวดหัวเธอกินแล้วเธอก็หายแค่นี้ก็พอละมันไม่สนใจผลข้างเคียงเหมือนเรามาใช้โทรศัพท์มือถือที่ไร้สายเนี่ยโอ้สะดวกสบายสะดวกสบายนะพราะคูมาอยู่ที่นี่ยี่สิบปีไม่ไปไหนไม่เดินทางเลยนาะ พอถึงเวลายี่ปีจิตบอกถึงเวลาแล้วออกไปนะเออก็บอกพี่แก้วเน่ยเขาเป็นคนจัดตารางเวลาปะแก้วพาพราะครูไปกรุงเทพพาไปนั่งรถเมล์ไปนั่งรถรางไปนั่งรถไฟใต้ดินนะยี่สิปีเป็นครั้งแรกออกว่าไปข้างนอกเห็นคนมันเดินไปเดินมามันเดินบ่นคนเดียวเนาะ บางทีก็ร้องเพลงคนเดียวเพราะคูก็มองเอ๊ะคนพวกนี้มันบ้ากันไปหมดเลยแก้วทิพย์ก็หัวเราะบอกมันผู้โทรศัพท์ไงพวกครูไม่รู้ไงแล้วเข้าไปในรถไฟใต้ดินกับเข้าไปปุ๊บมันก็นั่งกดกดกดกดกดกดเป็นมนุษย์หุ่นยนต์เหมือนน้ำมย์เกมกดนะเหมือนไม่มีไม่มีเลือดเนื้อเลยนะเราเป็นทาสของมันโดยไม่รู้ตัวและ ว, วันหนึ่งเนี่ยเราตื่นเช้าขึ้นมาใช้สายตาใช้หูตรงนี้นะ นะแล้วเผลอไปความคิดเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสสากัรแล้วเราไม่ได้หยุดประสาทเราเลยเวลาไม่พูดโทรศัพท์มีสองเวลาก็คือเวลาอาบน้ำกับเวลานอนหลับกินข้าวอยู่ก็ฮลัฮโลโหลฮัลโหลนะยิ่งเด็กวัยรุ่นนะไปกินข้าวปุ๊บก็ต้องถ่ายปุ๊บส่งไปให้เพื่อนว่าฉันกินอะไรนะคนโบราณเขาบอก อย่าเอาเรื่องภายในไปเปิดเผยข้างนอกอันนี้เปิดกระโปรงให้เขาดูหมดเลยนอนไม่หลับก็ลิงก์ไปบอกว่านอนไม่หลับเหงาก็บอกเง่าเหง า, งาคนทุกวันนี้นี่มันเป็นอย่างนี้นะกลายเป็นความสุขนะเนี่ยจริงๆนี่นไม่ได้สุขหรอกมันเหมือนได้ระบายอะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ระบายก็เลยกลายเป็นทุกข์ไงความรู้สึกสุขนั้นต้องเกิดจากการได้ทาอะไรสะใจ แม้กระทั่งเอาเรื่องส่วนตัวไปบอกคนอื่นก็ก็สะใจก็มีความสุขเผยไตหมดเลยเปิดกระโปรงให้เขาบดูหมดเลยนะสู้ศึกทุกครั้งเนี่ยแพ้ทุกครั้งนะคนโบราณเขาบอกว่าสู้ศึกเนี่ยดูเขารู้เราตอนนี้ไม่รู้เขาหรอกเอาตัวของเราเนี่ยเปิดบอกเขาหมดเลยไม่มีความลับอีกต่อไป กลายเป็นความสุขนะการเผยอารมณ์ตัวเองให้คนอื่นเห็นเนี่ยเพราะครูถือว่าอ่อนแอมากเราเป็นคนอ่อนแอมากน <Yeah. S 1> นี่แหละไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าชีวิตเราไม่ไม่ใช้ไม่ได้แล่ะเ <Yeah. S 1> นี่ยมัธยมตรงนี้เนี่ยมาใหม่ๆใครไม่มีโทรศัพท์บ้างยกมือขึ้นเขาบอกคนไม่มีอ่า uh. เออไม่มีเนี่ยไม่เคยมีอะไรใช่ไหมตั้งแต่มาใหม่อะใครเคยมีมาบ้างมาใหม่ๆ ม, มีมาใหม่ยกมือขึ้นเห็นไหมใครซื้อให้หาเงินเป็นหรือยังวิชาหาเงินยังไม่จบเลย ว, วิชาใช้เงินเป็นด็อกเตอร์หมดนี่เป็นผู้บริโภคที่ยิ่งใหญ่แล้ว ทนนิยมก็ต้องสร้างกระแสตอนนี้ให้เรามีความอยากได้ไม่งั้นเขาก็ไม่รวยไงแต่ยุคนี้นี่พ่อครูพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ใช้มือถือนะไม่มีทางเราต้องใช้แต่ใช้ให้มันเป็นอย่าใช้ให้มันตายถ้าเราเป็นทาสมันปึ๊บเราตายทั้งเป็นละ่ะเป็นลูกจ้างเขาหาเงินที่มันบอกว่าอะไรนะโทรไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพี่ยม ที่มันโทรไม่ได้บางครั้งมันเป็นเพราะอะไรเงินหมดใช่ไหมเห็นไหมมันกินเงินเราไหมต้องเลี้ยงมันด้วยเงินเนาะเราก็เป็นคี้์่ามันหาเงินหาเงินก็ไปป้อนมันไงแล้วเจ้าของนั่นมันก็รวยเอารวยเอาไงถ้าจะใช้โทรศัพท์ลูกนะต้องใช้มันหาเงินแบบไอ้แจ็คมาไงนั่นแหละใช้เลยอย่างนั้นแหะต้องใช้ไง อันนี้ไปใช้โทรศัพท์ก็หาเงินมาป้อนมันป้อนมันน่ะแล้วจะไปใช้ทำไมล่ะเราเป็นคนขาดทุนนเนี่ยแจ็คมามันใช้ระบบตรงนี้นะมันขายออนไลน์เนี่ยนะเห็นไมวันวันคนโสดของจีนหนึ่งเมื่อปีที่แล้ววันคนโสดมันวันเดียวเนี่ยนะคิดเป็นเงินไทยมันขายสินค้าได้หกหมื่นล้านบาทวันเดียวเอออย่างนั้นต้องใช้โทรศัพท์ต้องใช้ไง อันนี้ไปใช้เป็นแค่ลูกจ้างเขาไปหาเงินมาเงินหมดเงินหมดไปป้อนมันเออแล้วก็พารุ่นเก่ามาแล้วเฮย้ยไม่น่าใช่เราก็ต้องหาเงินมาซื้อรุ่นใหม่ <c oughs> รุ่นเก่าก็เลยกลายเป็นขยะตอนนี้ขยะล้นโลกขยะสารพิษเต็มไปหมดเลยเราเป็นแค่ผู้บริโภคนะ สตีฟจอบตอนที่เขายังไม่ตายนั่นเขาเคยบอกว่าเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยคนอื่นผลิตอาหารที่เรากินก็คนอื่นผลิตอีกคณิตศาสตร์ที่เราใช้เนี่ยก็คนอื่นพัฒนาขึ้นมาเราเป็นแค่ผู้ตามมันเดินออกจากมหาวิทยาลัยเลยมันไม่เรียนมันบอกชีวิตนี้เนี่ย มันต้องทําอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทําได้จริงๆเห็นไหมเขาสร้างรุ่นใหม่แต่พวกเราใช้รุ่นใหม่หาเงินให้เขาหาเงินให้เขาไงนี่การศึกษาเราสอนให้เด็กใช้รุ่นใหม่ไงมาโชว์กันฉันมีรุ่นใหม่ไม่ไม่มีอะไรน่าโชว์เลยนะไม่มีอะไรที่น่าสรรเสริญเลยนะแล้วก็เป็นแค่ขี้ข่าเขาเท่านั้นเองมันมีอะไรยิ่งใหญ่เลย ถ้าโชว์ว่าอุ้ยฉันผลิตสินค้ารุ่นใหม่ได้เหเห็นไหมเออแม้กระทั่งไอ้แจ็คหมากมันรู้จกักชลาดใช้ไอ้พวกไอ้ระบบออนไลน์ตัวนี้เนี่ยมันขายได้วันหนึ่งหกหมื่นล้านอันนั้นน่าชื่นชมไอ้ของเราไม่น่าชื่นชมอะไรเลยเป็นแค่ลูกจ้างก็หาเงินมาให้มัน เ, เด็กๆมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ มือถือเขาใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็เป็นไรอาทิตย์หนึ่งให้ใช้กี่นาทีฮะไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมลูกใช้เฉพาะจำเป็นใช่ไหมตอนมาใหม่ๆเนี่ยเดินไปไหนเราก็เอาไปด้วยใช่ไหมนะพกไปด้วยนะเหมือนเหมือนเหมือนชิ้นส่วนประจำชีวิตเลยล่ะ เราเป็นาธาตุมันเราต้องสอนลูกหลานเราเนี่ยให้รู้เท่าทันมันใช้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่ใช้ไอ้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ใช้มัน เ, นนเล่นๆมันของเล่นไปสื่อสารจนทำให้ขื่นมันบีซี่คล้ายๆว่ามันมันจราจรมันติดขัดหมดในในในอากาศนี่แหละคือทาลายสิ่งแวดล้อม ยัติทําบางคนมาที่นี่บอกอุ้ยรักพ่อคูมากเป็นห่วงพ่อคราจะซื้อวิตามินมาเนี่ยเพราะว่าโอแค่คิดเฉยๆก็บุญแล้วนะไม่ต้องอย่ามาสร้างความเคยชินให้ร่างกายพ่อคูไปติดมันเหมือนติดยานะพอติดแล้วปึ๊บต้องให้เขารวยขึ้นขายวิตามินแล้วก็รักษาเราให้แข็งแรงนะบางทีเรากินพวกนี้เรียกว่า บริโภคยาซึ่งเป็นปัจจัยสีนี่เฉพาะเวลาจำเป็นแต่ถ้าเราไปติดมันเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นทาตของมันแ ล, และหลายโรคเนี่ยเห็นไหมโรคเบาหวานโรคความดันต้องกินยาตลอดชีวิตเห็นไหมเพราะครูไม่เชื่อว่ามันรักษาไม่ได้จริงๆแต่มันมีเจตนามจะขายยาตลอดชีวิตถ้าไม่อยากกินเหล่านี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้มันแข็งแรงนะวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรค วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสะอาดจิตสะอาดร่างกายสะอาดสิ่งแวดลอ้อมเมื่อจิตสะอาดแล้วเนี่ยร่างกายส ก, กปรกเพราะอะไรไหมเห็นไมก็เอาเหล้าเทเข้าไปไงกลัวมันตายช้างไงอ่ะพวกกูผ่านมาหมดแล้วนะก็รู้ตอนที่เราติดมันเนี่ยช่างกูไหนไหนก็ตายแล้วไง บางทีอยู่ในครอบครัวนี่เรากินเหล้าเราสูบบุหรี่นะคนสูบบุหรี่เนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยมีน้อยกว่าคนไม่สูบจะอยู่ข้างตัวเรานะนั่นแหละคนที่เราลักเนี่ยมันจะเดี้ยงก่อนลักกันจริงไหมหาเงินมาหาเงินมาเออก็อยากมีฐานะก็เก็บเงินไว้ที่ไปเหวี่ยงเงินทิ้งทำไมไปล้ำ้ายตัวเองทำไมทำให้ตัวเองไม่สะอาด ร่างกายก็ไม่สะอาดเดี๋ยวตับแข็งหมดจิตใจก็เปื้อนอีกเพราะเป็นาธาตุของมันภูมิคุ้มกันก็ตกต่ำโครคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนอันนี้พื้นฐานง่ายๆนะถ้าทุกคนรักชีวิตตัวเองรักคนข้างตัวเราเนี่ยคุณก็ระวังไงเห็นไถ้าเกิดเราคนหนึ่งเป็นอะไรเดี้ยงไปดูแลครอบครัวไม่ได้ก็กลายเป็นภาระอีกนะ ตอนนี้เราไม่รู้หรอกวัยขนาดนี้มันยังมีกำลังอยู่นะเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวมามันร่างกายเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มอายุมากขึ้นเดี๋ยวมันจะแสดงอาการนะพวกครูถ้าเกิดไม่มีบุญเก่าเนี่ยหลงไฉเรียบร้อยปานานละไอ้เพื่อนสนิทกันเวลาเราเครียดไงยิ่งตอนนั้นเล่นการเมืองนะถ้าไปเที่ยวดึกดหรือประชุมดึกๆนี่โอ้สู่บุรีวันหนึ่งต้องบักหลายซองนะมือ มือนี่เหลืองหมดปากดำหมดเออประชุมเหนื่อยทำงานเหนื่อยแล้วโอเคให้กำไรชีวิตปิดห้องแอร์นะไม่ได้สูบบุหรี่ทีหนึ่งมวนหนึ่งนะสูบทีหนึ่งสี่มวนอยู่ในห้องแอร์เพราะคนหนึ่งมวนหนึ่งอะเป่าไปกันเป่าปกันมาไงสามคืนสี่วันกินข้าวอย่างนี้นั่นแหละนะเราคิดว่าเราได้ผ่อนคลายอารมณ์ไงเล่นนกกระจอบนะจริงๆแล้วตอนนั้นมันโง่ไง พอเราเระเบิดเราเห็นว่าให้มันเป็นการเพิ่มอารมณ์ใหม่มันไม่ใช่ผ่อนคลายอารมณ์นะเพื่อนคนหนึ่งอารมณ์แรงมากนะไอ้นี่ลูกเศรษฐีนั่นแหละเกิดมาทำอะไรไม่เป็นละ่ะกูเล่นกูเที่ยวอย่างเดียวเนาะพอมันทิ้งให้คนอื่นกินปุ๊บมันก็ด่าพ่อแม่มันด่าพ่อแม่ตัวเองนะเพราะมันโกรธ มันไม่ใช่ผ่อนคลายอารมณ์นะมันเป็นเพิ่มอารมณ์ใหม่ไปตีก็มันกันพตีผิดปึ๊บถ้ามีต้นไม้ข้างๆเนี่ยไม้มันทำด้วยเหล็กใส่ปึ้งงอเลยเพราะมันเศรษฐีไงปัจจุบันในคนนี้ยังไม่ตายแต่ผ่าตัดสมองแล้วแต่อีกสามคนที่เล่นนกกระจบว่าคูนี่ตายไปเรียบร้อยแล้วเป็นมะเร็งไปหมดมันรอดมาได้นี่บุญเก่านะ เราถึงรู้ไงรสชาติมันเป็นยังไงตอนที่ติดมันยังไงติดเหล้าเป็นยังไงติดบุหรี่เป็นยังไงติดเที่ยวติดเล่นติดการันันเป็นยังไงรู้ไงก็เห็นใจพวกเราไงเพราะกูเข้าไปในใจทุกคนได้นะเห็นใจทุกคนเลยแต่ก็ไม่ตามใจไงเพราะกลัวพวกเราจะตายไวไงก็เห็นใจเข้าใจได้ทุกคนหมดเข้าไปในใจทุกคนได้หมดแต่ไม่ตามใจเพราะมีตะกิเลทั้งนั้นไงอย่าไปเชื่อใจนะนี่คนรักกันถึงเตือนกันแบบนี้ไง สมัยก่อนเพื่อนพ่อครัเดินทางมาอุบลหรืพ่อครัเดินทางไปเยี่ยมเขาเนี่ยอาละมันรู้ละมีปาร์ตี้แล้วล่ะอีกคนหนึ่งเนี่ยแบบเขาลบพ่อครัมากเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะ่ะน่าจะมาจากอเมริกาไม่ใหม่อยังอยู่บ้านในเมืองเนี่ยมันมาจากชนบุรีเลยนะแขนขาดเพราะตอนเที่ยววัยรุ่นเนี่ยนะนะเขาเอามีดฟันนี่ยมันแบบนี้แล้วก็ขาดไง เออไอ้นี่นักเลงเรียกพี่เนะพกปืนทีหนึ่งสามก็บอกตอนนั้นบ้านเขาอยู่นครพนมกลาคืนไปเที่ยวไปทากินเขาต้มมันเอาปืนมายิงปังปังปังปังอยู่กลางตลาดเลยนาะเนี่ยมันมันแรงขนาดนั้นละพ่อครูกลับมาจะไม่เยี่ยมลูกพี่นะคิดว่าจะไปชนแก้วกันอีกนะนะมาเทศให้ฟังแล้วคอตกเลยนะนี่ เมือ่อเมื่อหลายเดือนก่อนมาเยี่ยมพ่อครูอีกตอนนี้เปลี่ยนคนละคนละมาทางธรรมะธรรมโม ล, ละไม่งั้นมันตายไปแล้วนะพ่อครูถึงเข้าใจไงคิดว่าเราซิ่งเรากินเห ล, ล้าเราเที่ยวเตะเนี่ยพ่อครู เ, วกวกเข้าใจทำ ม, มาหมดแล้วนะแต่มันไม่ได้ไม่มีอะไรดีเลยนะร่างกายโทมหมดนะถ้าไม่มีบุญเก่าเอื้อหมดเนี่ยะมันก็เป็นกรรมไงเรากินเหล้าไปถ้ากินแล้วเดี๋ยวก็ตับแข็ง นะพอตับมันทำงา น, ม, น ม, มันไม่ปกติแล้วที่นี้ภูมิคุ้มกันก็ตกทีนี้เดี๋ยวก็มาเลงบ้างโรคภูมิแพ้บ้างเดี๋ยวมาเป็นชุดเลยนะเราไม่เคยดูแลตัวเองเลยนะเราไม่เคยรักตัวเองเลยล้วกลัวมันตายช้าเอามาคิดคิดคิดเบื่อมากกูก็ไปกินเหล้าเพื่อให้มันลืม เนี่ยก็แฟนนตุนคนหนึ่งนัาตุนอยู่หรือเปล่านี่แหละเพื่อนกันน่ะยังอยู่บนน่ะตอนนี้ก็เป็นมะเร็งไงเห็นไมสูบบุหรีกันกินเหล้ากันทำงานเหนื่อยแล้วแทนที่จะนอนพักผ่อนก็ไปเที่ยวให้มันดึกๆึให้มันเหนื่อยกว่าเก่าเห็นไร่างกายโทมหมด มันจะแสดงอาการตอนที่เราเริ่ ม, มาอายุมากขึ้นนะตอนนี้เรายังแข็งแรงยังไม่เห็นนะก็ก่อนจะจากกันไปนอนเนี่ยนะเดีเ๋ยวพรุ่งนี้พกก่อคูเดินทางเดีเ๋ยวคุณครูเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กลับไปทำหน้าที่กันล้นะต้องใช้ภาษาอังกฤษคำหนึ่งคือว่า take care of your self take care of your self เราเคยทุดูแลตัวเองไหม ไม่ค่อยหรอกนะมีแต่เงี่ยหูฟังคนอื่นไปมองคนอื่นไปดูอย่างอื่นนะแล้วไม่เคยดูแลตัวเองเลยทําร้ายตัวเองต่างหากเพราะเรามีความอยากเราไม่เห็นความอยากเราก็ทําตามมันตลอดนะเผลอไปสร้างเวรสร้างกรรมไปเบียดเบียนตัวเองไปเบียดเบียนคนอื่นนะนี่คือกรรมนะมันบันทึกไว้แล้วพอถึงเวลามันจะส่งผล กรรมดีส่งผลดีกรรมชั่วส่งผลชั่วคนอื่นไม่รู้จิตเราบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะไอ้เรื่องนี้ก็ฝากนะก็อุตส่าห์ในชีวิตนี้ได้มาเจอกันมาพบกันลงเรือลำเดียวกันเนี่ยนะมีโอกาสแล้วอย่าพลาดโอกาสบางคนไม่มีโอกาสรู้เรื่องทางหลักธรรมอะไรเลยเนี่ยนะ ก็ใช้โอกาสนั้นไปทำลายตัวเองไปสร้างกรรมใหม่เมื่อเมื่อเรารู้แล้วว่ากรรมมีจริงบุญบาปมีจริงนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเวลาที่เหลือเนี่ยที่เราสร้างกรรมเพราะเรามีความอยากถ้าเราไม่ฝืนความอยากเราก็สร้างกรรมทุกวันนะอาจารย์พระพยอมพูดว่าอะไรเนี่ย สมัยก่อนพ่อคูเป็นแบบนั้นนักเลงเรียกพี่นะพ่อคูทําสหายทัวที่อุบลเนี่ยนะมีเชียงใหม่มีอุบลมีจันทบุรีนี่เป็นคนแรกๆในเมืองไทยเนี่ยวิ่งรถทัวก่อนอ่ต้องจ้างนักเลงใหญ่ๆที่อุบลมานั่งเฝ้าถ้าถ้ารถเราทุกวันเพราะมันมีคนมากวนนะแบบทํามาหมดแล้วทีนี้เขาก็จับรถทัวไงบอกสมันก็ฟ้องจับจับ จับทุกวันดักที่ลังส์ออกมามันจับหมดนะตอนนั้นมันไม่มีกฎหมายรองรับเรื่องนี้นะพวกครูใช้กฎหมายสากลเ้าเรียกว่ากฎหมายทัศนจรระดับสากลคือว่ารับผู้โดยสารตั้งแต่ปลายทางถึงต้นทางถึงปลายทางเนี่ยเราบริการแค่นั้นอันนี้ประเภทสประเภทสองก็คือว่ารับมาถึงปลายทางปุ๊บ มีที่พักให้ด้วยเธอเที่ยวเองประเภทหนึ่งก็คือว่ารับหมดเลยนะมีที่พักนำเที่ยวด้วยมีอาหารการกินอันะนี้คือกฎหมายสากลแต่เมืองไทยเรามันไม่มีนะเราวิ่งเขาก็หาว่าเราทับสัมปทานของเขาพวกกูต่อสู้มาหมดแล้วนะพาแอร์โฮสเตสเนี่ยนะพอมันจับปุ๊บปุ่นเอารถทัวร์เนี่ย 4-5 บริษัทตั้งแต่เศรษฐีทัวพวกูเริ่มต้นจากเมืองไทยนะก็เอาไปที่สำนักนายกไงตอนนั้นนายกสัญญาธรรมศักตรนะ์เดินขบวนไปทั้งคนขับทั้งแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสเราเนี่ยเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยเลยที่พวกูจ้างโรงเรียนที่เขาสอนแอร์โฮสเตสนะนะแล้วก็อบรมให้เราแล้วมามาบริการอยู่บนรถเรียกว่าโค้ชโฮสเตสนะแอร์โฮสเตสเาไปบริการที่เครื่องบิน อันนี้บริการอยู่บนรถเนี่ยก็เรียนมาด้วยกันแต่เราดีใจว่าไปบริการบนอากาศมันได้เงินดีกว่าได้ไปเที่ยวอันนั้นอันนั้นเสี่ยงตายกว่าก็เป็นพนักงานเสิร์ฟ บ, บนอากาศเท่านั้นเองนะแต่คนเราขี้เห่อไงนะแต่ละครั้งขึ้นเครื่องบินก็ไหวพ้พระแล้วไหว้พระอีกก็ลุ้นอยู่ไม่ให้เครื่องบินมันตกเนาะเพราะครูทามาหมดนะเออดุแรกๆเนี่ย มีแอร์มีโค้ชโฮสเทคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวชื่อว่าอะไรเนา ะ, นะก็จำไม่ได้แล้วละ่ะเนาะเขาเมารถไงที่นี้ก็ให้ไปทำงานอยู่สมงานกรุงเทพไปขายตัวนะแล้วสุดท้ายมันจับจนตอนนั้นมันมันไม่ให้วิ่งจริงๆเนะี่ยเราก็เลิกแล้วก็อันนี้ไปเป็นดาราหนังนะตอนนั้นดังมากนะชื่อชื่ออะไรพราะกูจำไม่ได้ละ คือคือชีวิตเรามันทำมาหมดแล้วไม่ใช่เราจะไปก๊อปปี้เขาพวอกูทำมันหนึ่งอันอันอันแรกอันแรกตลอดเวลานะเออสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ช่างแต่สุดท้ายตอนนี้เป็นยังไงทั่วบ้านทั่วเมืองมีแต่รถทัวเห็นไหมคือว ว, ว, วิชั่นเน่เรามองอะไรไกลกว่ากับาเขาอยู่แต่เราทำก่อนเขาเนี่ยเราต้องเจ็บตัวนะลงสีข้าวพราคกูเป็นคนแรกที่เอามาจากไต้หวันนะไปเที่ยวไต้หวัน มันแสดงสินค้ามันสีข้าวออกมาร้อยเปอร์ซ็นหมดไม่มีข้าวหักเลยบอกขึ้โล้วยแน่ๆเลยเซ็นสัญญากับมันสั่งมาล็อตหนึ่งมงเมืองไทยมาสีข้าวไทยกลายเป็นแป้งหมดพราะข้าวไต้หวันมันไม่เข้าญี่ปุ่นมันกลมๆนะความชื้นมันสูงอสียังไงมันก็ไม่หักไเห็นไหมมาสีข้าวไทยนี่กลายเป็นแป้งหมดเลยนะนะน่าจะทําเป็นโรงงานบดแป้งเนอะพวกกูไม่ยอมแพ้นะ ส่งเขาเปลือกไปกว่าจะขออนุญาตได้ไปปุ๊บมันสีไม่ถึงสามนาทีก็หมดแล้วไงก็เลยบอกเอาช่างมันมาอยู่ที่นี่นะมาปรับปรุงจนตอนนี้สีข้าวไทยดียัง เ, เกินว่าพ่อครูพูดเข้าๆนะนี่เรามีลงสีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆเราไปเรียนรู้กันนะไอ้ลงสีรุ่นนี้ให้นลหลอไปสั่งซื้อมานะจริงๆแล้วเนี่ยโน่นสี่ห้าสิปีก่อนพ่อครูเอามาแล้วระบบมันคือยาง การกระเทาะเปลือกเนี่ยเมืองไทยเราใช้หินบดนะครับเอาเอาเปลือกข้าออกเลยรียกว่าแกร็บพอไปบดปุ๊บเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งหักมีข้าวหักด้วยนะเออแล้วพอบดสุกลายเป็นข้าวกล้องแล้วก็ไปผ่านข้าวขาวข้าว ข, า ว, ขาวก็เป็นหินนะหินกับอยางนะแต่มันสีช้ามากแล้วก็เปอร์เซ็นต์ข้าออกมาปุ๊บสมมติว่า ข้าวเปลือกร้อยเม็ดเนี่ยอาจจะเหลือข้าวอยู่หกสบเอ่อหกสิกิโลร้อยกิโลแล้วกันร้อยกิโลนี่มันจะแบ่งเป็นข้าวหักด้วยจมูกข้าวด้วยนะข้าวที่หนึ่งเนี่ยมันน้อยมากแต่ใช้ระบบไต้หวันแล้วเนี่ยพอมันปอกเนี่ยช่วงมันปอกนี่นะได้ร้อยเปอร์ซ็นเป็นข้าวกล้องร้อยเปอร์เเลยนะแต่ทีนี้พอมันผ่านข้าวขาวข้าวขาวของมันมันใช้ตะแกรงเด็กเนี่ยหมุนเฉเฉยเพราะว่าข้าวมันไม่หักะ เมล์สีข้าวไทยนี่เป็นแป้งเลยเราก็เลยเอาลูกผสมก็คือว่าเอาไอ้ที่ปอกข้าวกล้องนี่เป็นของไต้หวันและขัดข้าวขาวนี่เป็นของไทยตอนนั้นดังมากไทยสันฟอนนะดังอยู่ปีเดียวเราลงทุนไปมหาศาลไม่รู้เพราะว่าลองถูกลองผิดเกือบสองปีนะพอสมเร็จแล้วเนี่ยขายได้ปีเดียวปุ๊บเขาก็ก๊อปปี้กันหมดทั่วประเทศ เพราะคูเป็นคนแรกแหละเหมือนโง่ไหมไม่โง่งทุกวันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้เสียใจในสิ่งที่ทําทเราเห็นแล้วเห็นไหมลงสีใหญ่ตอนนั้นเรามีรุ่นใหญ่นะเราไปเปลี่ยนให้มันฟรีคล้ายๆว่าลองให้มันฟรีมันก็สีออกมาแล้วมันเห็นเปอร์เซ็นต์ข้าวสูงเลยแต่มันก็ไม่กล้าชายเพราะมันเป็นของใหม่นี่คนไทยไม่กล้าแต่ตอนนี้ลงสีใหญ่ใช้ระบบนี้หมดเลยตอนนั้นพ่อครูคิดว่าขอให้มึงตั้งฟรีก็ได้เถอะล่ะนะเราขายเฉพาะลูกยางมันเฉยๆเนี่ย เมืองไทยก็มีอย่างไงแต่ตอนนี้พปกวูเหนทุกลงสีใช่ผมบ่าเปิลเปอร์เซ็นข้าเมื่อเปอร์เซ็นข้ามันสูงขึ้นลงสีก็สามารถซื้อเข้าเปลือกจากเกษตรกรราคาสูงขึ้นได้นะแต่ตอนนั้นเมืองไทยมันติดอะไรไม่รู้เรื่องระเบียบเร่งอลไรเนี่ยทุกคนไทยไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนลงสีเขาสีมาตั้งหลายสิปีแล้วหนึ่งรุ่นอย่างนี้มันไม่กล้าเปลี่ยนไม่มีการพัฒนาเนาะ เกษตรกรเราเหมือนกันถ้าเราไม่พัฒนาต่อไปเราอยู่ไม่ได้เพราะครูชอบทําอะไรที่มันมันสร้างสรรค์ถ้าเกิดลงศีเขาเปลี่ยนระบบนี้นะราคาข้าวสูงขึ้นได้พบเปอร์เซ็นต์ข้าวมันดีมากนะเดี๋ยวพ่อคูเนี่ยสั่งลงศีมาแล้วพวกเราต้องเรียนดูในกระบวนการลงศีนี้ระบบมันเนี่ยนะเอออันนี้ขั้นตอนนี้นี่ขั้นตอนนี้เนี่ยนะกลายเป็น วิศวกรรมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างต้องคำนวณเป็นนะว่าเออเข้าเปลือกร้อยกิโลนี่สีออกมามันได้แกบกี่กิโลเป็นลำลำหยาบกี่กิโลลำเหลี่ย ก, กิโลจะหมูกข้าวได้เท่าไหร่ข้าวหักเท่าไหร่ข้าวที่หนึ่งเท่าไหร่นะลงสีนี่ดีมากถ้าเราเข้าใจกับบทนี้ต่อไปเราเอาไปใช้ในชีวิตเราเลยนะอันนี้ก็ให้ได้เปิดเิอมที่นิ่ สั่งมาแล้วละ่ะน้หล่อก็ลองสีดูเพราะครูวันนั้นไปเดินที่มาหาไรอยุบลเขาโชว์เรื่องนี้อันนี้เราทํามาก่อนแล้วไงเรารู้อยู่ว่าคุณภาพเป็นยังไงแล้วก็สั่งมาเพราะที่นี่ต่อไปต้องครบวงจรเราต้องปลูกข้าวเองเราต้องสีเองแล้วก็แกบนี่ก็เป็นอาหารพืชเป็นปุ๋ยชีวภาพนะปุ๋ยอินทรียนะ์ลำกับข้าวปลายเนี่ยก็เป็นอาหารสัตว์อาหารปลา เห็นอาหารไก่อาหารเป็ดนะมข้าวก็เป็นอาหารคนนะไม่ใช่ไปซื้อข้าวซื้อข้าวเขากิ น, นก็อันนี้จะเป็นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรเราไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันกลัวเป็นหนี้เรามันก็ออกไข่ให้เราเห็นไนะตอนนี้ปฐมใครดูแลไก่สี่ตัวใครเป็นคนเลี้ยงลูก เป็นหน้าที่ใครฮะใครชื่อเชื่ออะไรพี่ไม่บอกเออเห็นไหมเขาไปเลี้ยงไก่ทุกวันนมันก็ไข่ให้เราทุกวันมันกลัวเป็นหนี้เราเห็นไหมแล้วมันของแถมด้วยมันให้ดอกเบี้ยเราด้วยคือมันก็ขี้ลงไปในนั้นมันขี้ลงไปในบ่อปุ๊บปลาดุกก็กินขี้มันนะปลาดุกกินขี้มันมันก็เป็นกลัวเป็นหนี้ไก่มันก็ขี้ออกมาเนี่ย นะน้ำปลาดุกรําชีปลาดุกแล้วก็ไปลดผักอันนี้คือห่วงโซ่อาหารเห็นไหมเด็กๆ ก, ก็อยู่กับพวกนี้เรื่อนเขาก็มีจิตใจนอบน้อมเขาดึงจิตใจนอบน้อมเ อ, อื้ออารีไงเห็นไหมไม่ใช่ไปไปรังแกสัตว์รว่าไปไปเอาเปรียบมันนะเราเลี้ยงมันมันก็เลี้ยงเราเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาไม่ต้องไปใช้สารเคมีไม่ต้องไปใช้ไอปุ๋ยเคมีไม่ต้องอะไรเนี่ย อันนี้แหะคือห่วงโซ่อาหารทีนี้ทําไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเราจะกลายเป็นนิสัยเนี่ยรู้ที่มาที่ไปของมันเกิดเรื่องอะไรปุ๊บเราจะไม่แก้ไปลายเหตุเราจะรู้เหตุสาเหตุต้นเหตุของมันนะพ่อครูยกตัวอย่างมาหลายปีละก็เอาชื่อ น, น้องดอนเด็กชายดอนเด็กชายแดงวิ่งร้อยเม็ดแข่งกันพอไปถึงห้าสิบเมตรเด็กชายแดงล้มลงไปหัวเข่าแตก ร้องไห้คุณแม่รักลูกมากวิ่งมาวิ่งมานะทุกมากเห็นลูกทุกเพราะลูกร้องไห้คุณแม่ก็ดับทุกให้ลูกโดยว่าลูกหยุดร้องไห้อแม่ใจจะขาดแล้วเนะเาะเดี๋ยวแม่ซื้อขนมให้กินซื้อจักรายานให้คุณแม่ดับทุกคุณแม่รู้ว่าลูกทุกเพราะลูกร้องไห้คุณแม่เข้าใจว่าถ้าลูกร้องไห้เนี่ยลูกจะไม่ทุกทีนี้ เด็กคนหนึ่งวิ่งมาคุณแม่คุณแม่หัวเข่ามันแตกคุณแม่ยิ่งเจ็บอีกนะมันน้องให้เพราะหัวเข่ามันแตกแทนที่จะรักษาเข่าลูกก็มีต่ไปบอกให้ลูกหยุดร้องไห้เพราะคุณแม่ใจจะขาดทีนี้เด็กคนหนึ่งวิ่งมาเนี่ยฉันรู้มากกว่าเธออีกที่ไอแดงหัวเข่ามันแตกเนี่เพราะมันล้มเพราะมันล้มนะอีกคนหนึ่งวิ่งมาเนี่ยฉันรู้มากกว่าเธออีก ที่ไอแดงมันล้มเนี่ยมันขัดขาตัวเองฉันเห็นเลยไม่มีใครผาักมันเห็นไหมสาเหตุที่มันล้มเพราะมันขัดขาตัวเองเพื่อนอีกคนนึงวิ่งมาบอกว่าที่มันขัดขาตัวเองเนี่ยฉันเห็นเลยมันวิ่งไวเกินไปอีกคนหนึ่งเพื่อนสนิทกันเลยบอกว่าฉันรู้มากกว่าคนอื่นที่มันวิ่งไวเกินไปเนี่ยไอแดงมันบอกว่ามันอยากชนะเหตุสาเหตุต้นเหตุ เพราะมันอยากชนะโอเคมันหยุดร้องไห้รักษาเขาเสร็จแล้วพอมันหายปุ๊บวันหลังมาเพื่อนชวนมาวิ่งอีกบอกแม่วกูสู้มึงไม่ได้มาชกมวยกันดีกว่าชกไปชกมาก็บังเอิญโดนนอกอีกปากแตกก็ร้องไห้อีกเด็กชายแดงนี่มันทุกข์เพราะมันมีความอยากแล้วต้องดับที่ความอยากเนี่ยทุกสมุทัยนี้โลดมัด ถ้าเด็กๆ เ, เขาเรียนรู้กับห่วงโซ่อาหารตัวนี้เนี่ยเขาจะมีนิสัยรู้ที่มาที่ไปของปัญหาทุกวันนี้เราแก้ป่ายุปวดหัวก็กินยาพาราฤิ์ยามันหมดก็ปวดอีกถ้าเราไม่เลิกคิดนะพวกครูไม่ได้อ่านหนังสือที่ไหนไม่มีใครเขาบอกอย่างนี้นะสปีเห็นจากความเปลีป่ยนแปลงของตัวเองอยากรวยก็สู้สู้สู้สสสสสสตายแลวเกือบตายจริงๆนะ เพื่อนละตายไปหลายคนละสู้แบบขยันแบบง่ o งไงมาเหนื่อยก็ไม่ยอมไปกลับบ้านพักผ่อนนะเหนื่อยยังไปเที่ยวให้มันดึกๆอีกเพื่อกบเกินความเหนื่อยความเบื่อจนร่างกายโทรมหมดนะ28ปีนี่ไม่ต้องกินยาแก้ปวดแม้แต่เม็ดหนึ่งเพราะมันไม่เคยคิดเลยมันเลิกคิดมา28ปีเพราะว่า ทำไมทำไมเราคิดรู้ไหมที่พวกเราคิดเนี่ยเพราะเรามีอนาคตเราถึงคิดวางแผนตลอดแล้วก็กลัวว่ามันจะไม่สมเด็จนะแต่ถ้าเราไม่มีอนาคตแล้วเราก็ไม่ต้องคิดถึงเวลากินก็กินถึงเวลาพูดก็พูดถึงเวลานอนก็นอนเห็นไหมที่เราคิดเนี่ยเพราะเรามีอนาคตเอาก็มีอนาคตก็ดีแล้วเนี่ยดีแต่อนาคตไม่ต้องคิด ทุกคนอย่างห่วงอนาคตนะคุณครูอย่างห่วงอนาคตอนาคตมีอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็อนาคตปีหน้าก็อนาคตชาติหน้าก็อนาคตของชาตินี้ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดเรากวาดเดี๋ยวนี้ปุ๊บพรุ่งนี้มันก็สะอาดไงกวาดไปด้วยคอร์รัปชันเวลาด้วยไปคิดด้วยว่าเออพรุ่งนี้จะไปทำอะไรมันก็ทาได้ห้ไง พรุ่งนี้มันก็ความสะอาดได้ห้อร์ซแทนที่จะได้ลอยเห็นไหมระบายสีอยู่แล้วเป็นคนรับผิดชอบอนาคตมากก็ระบายไปห้าสเอร์ตอีกห้าสิเปอร์เซนตแบ่งเวลาว่าเออเ อ, อ้มันจะได้แชมป์หรือเปล่าวะมันจะได้รางวัลหรือเปล่าวะหรือบางคนบอกเออวาแล้วฉันจะไปทําอะไรอันนี้ขอรับชั่นเวลาล่ะพอคิดปุ๊บคิดเรื่องดีอารมณ์ดีก็เข้ามาคิดเรื่องกังวลก็อาวนกังวลเข้ามาเนี่ย มันมักนก็มาบั่นทอนการวาดรูปของเราพรุ่งนี้สีมันแห้งพรุ่งนี้เป็นอนาคตของวันนี้มันก็ได้ห้าสบเอร์เซนอันนี้ต้องพูดถึงอาจารย์กรองแก้วเนี่ยถ้านักศิละปะท่ า, ทานเหมือนกันได้ไหมวาดไปด้วยแทนที่จะโทโทรี่อินอยู่กับมันมีความสุข ก, กับการวาดมันจะมีจินตนานการออกมาถ้าวาดไปด้วยคิดไปด้วยคิดไปคนเวมันก็วาดถูกวาดผิดเนี่ยพรุ่งนี้สีมันแห้งมันก็ไม่สมบูรณ์ ทุกวันนี้เราถูกสอนให้เป็นห่วงอนาคตห่วงอนาคตแต่ไม่ไม่ห่วงปัจจุบันนะคิดจนตายก็ทําไม่ได้เพราะอนาคตมันยังมาไม่ถึงไงแล้วบางคนยิ่งแล้วใหญ่นะไปนึกถึงอดีตวาดไปด้วยไปนึกถึงเอ้ยวันก่อนกูไม่น่าทําอย่างนั้นเลยวะเห็นไหมคิดจนตายมันก็ไปแก้อดีตก็ไม่ได้ไงเนี่ยพระพเจ้าจึงบอกว่าอยู่ปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดดีที่สุดก็คือว่าโทโทรี่ตั้งมั่นอยู่กับมันมีสมาธิตั้งมั่นสติก็ตื่นรู้อารมณ์แทรกไม่ได้เพราะมันถูกเกาะเกาะป้องกันน้องเราคือพลังสมาธิอารมณ์ข้างในก็แทรกมาไม่ได้อารมณ์ต้อเข้ามาได้นั่นคือความสุขอย่างยิ่งผลงานออกมาดีแน่ๆเมื่อเราไม่มีความกังวลเลยนั่นแหละคืออาการที่เราไม่กังวลนั่นคือความสุขนะเอาไปใช้นะ บางทีคิดเลื่อยเปื่อยอคิดไปห่วงไปเองคิดยังไงอนาคตยังไม่ถึงก็ทำไม่ได้อดีตผ่านไปแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำไม่ยอมปล่อยวะนะคิดแล้วก็มานั่งร้องไห้เองกูไม่น่าเลยกูมาไลยเลยหลังจากทุกข์แล้วมันเปลี่ยนอดีตได้แล้วไปก็ไม่ได้ไงนี่แหละที่เราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราจะอยู่ปัจจุบันตลอดมาเต้นมารำ มายืนเฉยๆเดินเฉยๆมาอยู่ปัจจุบันเราจะเห็นตัวเองแล้วต่อไปเราจะมีนิสัยใหม่อยู่ปัจจุบันตลอดอะไรจะเกิดก็เกิดเราทำวันนี้ให้มันดีที่สุดคำว่าดีที่สุดไม่ใช่ผลงานดีผลงานเป็นแค่ผลตอบแทนผลพลอยได้นะแต่ช่วงเวลาเราทำนั่นเรากําไรความสุขเพราะว่าอารมณ์กังวลมันแทรกมาไม่ได้นะ ยิ่งเป็นนักศิละปะไปวาดรูปนะนะทุกวันนี้เราไม่เอาศิลปินศินละปละศิลปะในการวาดรูปตอนนี้เนี่ยเราเป็นศินละปะมันหางานยากทุกคนก็เห่อไปเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็แข็งกระด้างนะแข็งทื่อทื่เดี๋ยวก็เครียดอายุสั้นแต่ตอนนี้เราเลือกไอ้ที่มันหาเงินได้ง่ายไงเราไม่เลือกเอาชีวิตที่มันดี No. ถ้าคนอยู่กับศิละปะเนี่ยเราจะมีจิตใจนอบน้อมนะมีมีความสงบเย็นอันนี้ก็ฝากคุณครูนะนะเราจะเอาชีวิตหรือเราจะอาวนาคตปัจจุบันก็ไปทุกเพื่อห่วงอนาคตนะขาดทุนแล้วอนาคตดีหรือเปล่ายังไม่รู้ แต่ปัจจุบันทกุก่อนเพราะเป็นห่วงอนาคตโอเคนะคืนนี้จบอยู่ที่อยู่ปัจจุบันแล้วทุกคนเทคแคร์โยเซ่นะก็สุดท้ายนี้ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิน